ธรรมบทแปลเรื่องนายกาลบุตรของอนาตะบินทิกะเศรษฐีภาคที่หเรื่องที่1นรยพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารกบุตรของอนาตะบินทิกะเศรษฐีชื่อว่ากาละพระธรรมเทศนานี้ว่า ปะทัพยาเอกรระเชนะเป็นต้นตอนบิดาจ้างบุตรให้ฟังธรรมได้ยินว่านายกาลานันเป็นบุตรเศรษฐีพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาเช่นนั้นก็ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักกองพระาศาสดาเลยไม่ปรารถนาจะฟังธรรม ไม่ปรารถนาจะทำการขวนขวายแก่สงฆ์แม้ถูกบิดาพูดว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้และพ่อก็ไม่ฟังคำของบิดาเลยลำดับนั้นบิดาของเขาจึงคิดว่าเจ้ากาลานี้เมื่อถือทิฏฐิเห็นป่า น, นี้เที่ยวไปจะเป็นผู้มีอเวจีเป็นที่ไปในเบื้องหน้า ก็เมื่อเรายังเป็นอยู่ถ้าบุตรของเราพึงไปนรกข้อนั้นไม่สมควรแก่เราเลยก็ขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้ไม่เพ่งเลงเพราะการให้ทรัพย์ไม่มีในโลกนี้เลยเราจะทำลายทิฏฐิของบุตรนั้นด้วยทรัพย์ดังนี้ลำดับนั้นเศรษฐีพูดกับนายกาละนั้นว่าพ่อ เจ้าชงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปสู่วิหารฝั่งธรรมะแล้วมาเถิดเราจะให้กาาปะนะ1 0 0รแก่เจ้าในกะละพ่อจะให้ลูกอย่างนั้นหรือเศรษฐีถูกแล้วลูกพ่อจะให้ในกะลานันรับปฏิ ญ, ญาสามกรลงแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถได้ไปสู่วิหารแล้ว แต่กิดด้วยการฝังตามของเขาไม่มีเขานอนในที่ตามความำํำรานแล้วได้ไปบ้านแต่เช้าตรู่ลำดับนั้นบิดาของเขาพูดว่าบุตรของเราได้เป็นผู้รักษาอุบโบสถท่านทั้งหลายจงนำข้าวต้มเป็นต้นมาแก่เขาเร็วดังนี้แล้วก็สั่งคนใช้ให้ให้เขาในกาลนั้น ห้ามอาหารเสียด้วยพูดว่าถ้าเรายังไม่ได้รับกหาปณะนะก็จะยังไม่กินข้าวลําดับนั้นบิดาของเขาเบื่ออดทนการรกกวนไม่ได้จึงให้ห่อกหาปณะหนึ่งรอยนายกาละนั้นต่อรับกหาปณ ะ, ะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงบริโภคอาหาร ต่อมาวันรุ่งขึ้นชายตีส่งเขาไปด้วยพูดว่าพอฉันจะให้กาหาปนะพันหนึ่งแก่เจ้าเจ้ายืนตรงพระพักของพระศาสดาเรียนเอาบทแห่งธรรมให้ได้บทหนึ่งแล้วจึงมาเขาก็ไปวิหารยืนตรงพระพักของพระศาสดาได้เป็นผู้ใคร้จะเรียนเอาบท แห่งทำบทเดียวเท่านั้นแล้วหนีไปลำดับนั้นพระศาสดาได้ทรงามอาการคือการให้เขากำหนดไม่ได้เขากำหนดบทนั้นไม่ได้แล้วจึงได้ยืนฟังแล้วเดียวด้วยคิดว่าเราจะเรียนบทต่อไปในยะว่าจนทั้งหลายต่อฟังอยู่ด้วยคิดว่าเราจะเรียนให้ได้ ชื่อว่าฟังโดยเคารพ ก, ก็ธรรมดาเมื่อชนทั้งหลายฟังอยู่อย่างนี้ธรรมะย่อมให้โซดาปฏิมักเป็นต้นถึงนายกาลนั้นก็ฟังอยู่ด้วยคิดว่าจะเรียนเอาให้ได้แม้ประศาสดาก็ทรงรมอาการคือการให้เขากำหนดไม่ได้เขากำลังยืนฟังอยู่เดียวด้วยคิดว่า จะเรียนบทต่อไปก็จึงตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลตอนบรรลุโซดาปฏิปลแล้วไม่รับค่าจ้างในวันรุ่งขึ้นนายกาล่านั้นไปสู่กรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทีเดียวมหาเศรษฐีพอเห็นเขาก็คิดว่า วันนี้เราชอบใจอาการของบุตรของเราแม้นายกาลนั้นก็ไม่ได้มีความปริบิตกดังนี้ว่าโอ้หนอะวันนี้บิดาของเราไม่พึงให้กรหาปณ ะ, ะในที่ใกล้พระศาสดาพึงปกปิดความที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกระหาปณ ะ, ะไวเ้เถิดแต่พระศาสดา ได้ทรงทราบความที่นายกาละนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถเพราะเหตุแห่งกาหาปนาแล้วในวันวานมาเศรษฐีให้ถบายข้าวต้มแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วจึงสั่งให้ให้ใหแม้แก่บุตรของตนด้วยนายกาละนั้นเป็นผู้นั่งนิ่งเดียวดื่มข้าวต้มเกี้ยวของกวนเกี้ยว บริโภคผัดแล้วในเวลาเสร็จปฏตกิจของพระศาสดามหาเศรษฐีให้บุคคลบางห่อกาปณ ะ, ะพันหนึ่งไว้ตรงหน้าของบุตรแล้วพูดว่าพ่อฉันบอกว่าจะให้กระหาปณ ะ, ะพันหนึ่งแก่เจ้าจึงให้เจ้าสมาทานอุโบสถส่งใบวิหารนี้กระหาปณ ะ, ะพันหนึ่งของเจ้าในกาลนั้น เห็นกาปนะที่บิดาให้เฉพาะพระพักของพระาศาสดาก็ละอายอยู่จึงพูดขึ้นว่าผมไม่ต้องการด้วยหาปนะทั้งหลายแม้ถูกบิดาพูดว่าเธอจงรับเธอเขาก็ไม่ยอมรับตอนโซดาปฏิผลเลิศ ก, กว่าสมบัติทุกอย่างลำดับนั้น ดดาของเขาถวายบางกรมพระศัสดาแล้วกราบตูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์ชอบใจอาการของบุตรเมื่อพระศัสดาตรัสถามว่าเรื่องอะไรหรือมหาเศรษฐีเศรษฐีจึงกราบตูลว่าก็ใ น, นวันก่อนบุตรของข้าพระองค์คนนี้อันข้าพระองค์พูดว่าจะให้กาปะนะหนึ่งร้อย แล้วส่งไปวิหารในวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้รับกาหาปณ ะ, ะแล้วไม่ปรารถนาจะบริโภคแต่วันนี้เขาไม่ปรารถนากาหาปณะนะแม้ที่ข้าโปรงให้พระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นมหาเศรษฐีวันนี้โซดาปฏิป น, นั่นแหละของบุตรของท่านพระเสด็จกว่าแม้สมบัติ ของพระเจ้าจักรพรรดิแม้กว่าสมบัติในเทวโลกและปรมโลกันนี้แล้วจึงน่ตรัสพระกาถานี้ว่าปะทพยาเอกราชเชนะสักขสสะคมเนนนาวสัพพะโลกาทิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวรังแปลว่าโสตาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นเอกราช ในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงตอนแก้อัดใน้มดาบทลนั้นบาดพระกถาว่าปทัพยาเอกรชเชนะคือกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบาดพระกาถาว่าสาักขสะกมเนนาวาหมายความว่า กว่าการกล่าวถึงสวรรค์ยีบกชัน้นบาพระคถาว่าสัพพะโลกาที่ปัจเจนะหมายความว่าว่าความเป็นใหญ่ในโลกมีประมาณเท่านั้นเท่านั้นคือในโลกทั้งปวงพร้อมด้วยนากรุตและเวมานิกาเปรตบาพระคถาว่าโสตาปฏิพลังวรังหมายความว่า เพราะพระราชาแม้สเสวยราชสมบัติในที่มีประมาณเท่านั้นก็เป็นผู้ไม่พ้นจากนรกเป็นต้นได้เลยส่วนพระโสดาบันเป็นผู้มีประตูบายอันปิดแล้วนี่คือความที่มีพละกําลังของพระโสดาบันที่ไม่เกิดในภพที่แดฉะนั้นโสดาปฏิผล น, นั่นแหละจึงประเสริฐ คือสูงสุดในการจบเทสนาส่วนเป็นนันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้น น, นนี้แหละเรื่องนายกาละบุตรของอนาทะบินทิกะเศรษฐี